ไอ้หนูไปส่งยายหน่อย ส, สัมผัสสยองวันนี้แอดมินมีเรื่องราวจากประสบการณ์ของคุณบุตรนะครับซึ่งคุณบุตรได้ติดตามช่องสมัมผัสสยองของเรามานานแล้ว ตั้งแต่สมัยที่เปิดช่องใหม่ๆทางเราขอขอบคุณคุณวุฒิด้วยนะครับที่ติดตามช่องของเรามาอย่างยาวนานและขอขอบคุณสําหรับประสบการณ์ที่แบ่งปันเข้ามาให้กับสมาชิกของเราได้รับฟังด้วยครับเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังเรื่องราวของคุณวุฒิกันเลยดีกว่า ย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2555ตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นม .4 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีหลังจากเลิกเรียนเวลาบ่ายสามโมงครึง่งผมต้องกลับไปช่วยคุณแม่ขายของที่ตลาดนัดที่อยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านเมื่อผมมาถึงก็เก็บกระเป๋านักเรียนเข้าทีแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปหาแม่ที่ตลาดสมัยนั้นผมใช้ y a m a h าเมด อาฟาสีเขียวถึงแม้มันจะเก่าแต่ตอนนั้นความแรงมันก็ไม่แพ้ใครเลยทีเดียวพราะผมไปถึงที่ตลาดหนดัดเมื่อคุณแม่เห็นก็ใช้ผมในทันทีไอวุฒแปลถุงใส่ของให้แม่ในสิมันวางอยู่หลังบ้านนั่นนะ่ะได้ครับแต่แม่เอาตังมาเติมน้ำมันด้วยนะน้ำมันจะหมดแล้ว แม่ผมก็เลยควักตังออกมา60บาทเพื่อให้ไปเติมน้ํามันตอนนั้นบรรยากาศมืดครึมเหมือนฝนกําลังจะตกผมเลยรีบบิดรถเพื่อไปเติมน้ํามันที่ปัม๊มแต่ระหว่างทางไปปั๊มน้ํามันจะต้องผ่านร้านร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านของอาโกอยู่ฝั่งซ้ายมือวันนี้ผมเห็นยายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่หน้าร้านยายคนนั้นหันมาทางผมแล้วกวักมือเรียก ตะโกนมาว่าไอ้หนูไอ้หนูไปส่งยายหน่อยสิลูกผมเลยตะโกนกลับไปว่าเดี๋ยวผมมาครับยายไปเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งครับแล้วผมก็รีบบิดรถเร่งความเร็วขึ้นไปอีกเพราะผมไปถึงปั๊มฝนก็เริ่มตกปล่อยๆแล้วผมคิดในใจว่าจะไปส่งยายเขาดีไหม อีกใจหนึ่งก็ต้องรีบกลับบ้านเอาถุงใสของไปให้แม่ที่ตลาดอีกแต่ด้วยความขี้สงสารผมจึงตัดสินใจไปส่งยายก่อนผมก็แวะไปที่ร้านโกที่ผมรู้จักก็เจอยายคนนั้นอีกครั้งไอ้หนหูไปส่งยายที่บ้านหน่อยได้ไหมลูกยายมาคนเดียวตาก็ขี่รถไปไหนไม่รู้ทิ้งยายไว้ที่นี่ ตอนนั้นผมรู้สึกสงสารยายเขาจริงๆก็เลยตอบตกลงไปว่าจะไปส่งยายแล้วยายก็ควักโทรศัพท์ออกมามันเป็นโทรศัพท์เก่าๆแบบปุ่มกดแล้วก็มีเศษกระดาษชิ้นเล็กๆหนึ่งแผ่นติดออกมาด้วยยายยื่นโทรศัพท์พร้อมกับกระดาษให้ผมแล้วบอกว่าไอ้หนูโทรเบอร์นี้ให้ยายหน่อยสิลูกผมแปลกใจ ทำไมยายไม่กฎเองหรือว่ายายสายตาสั้นผมก็เลยรับโทรศัพท์กับกระดาษแผ่นนั้นมาแล้วเปิดกระดาษชิ้นนั้นออกก็เห็นว่ามันเป็นตัวเลขแต่ผมแปลกใจว่าทำไมมันมีอยู่ถึงส3าตัวและขึ้นต้นด้วยสามเจสหรือเลขอะไรสักอย่างนี่แหละมันไม่เหมือนกับเป็นเบอร์โทรศัพท์เลยผมคิดในใจว่า เบอร์โทรบ้าอะไรมีตั้งสิาตัวแต่ผมก็กดเบอร์นั้นแล้วโทรออกไปปรากฏว่ามันโทรติดด้วยแล้วก็มีคนรับสายแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรยื่นโทรศัพท์เครื่องนั้นไปให้ยายแล้วก็เดินออกมารอที่รถสักพักพอผมหันหลังกลับไปมองอีกครั้งก็เห็นว่ายายคุยเสร็จแล้วและกำลังเดินเข้ามา ผมจึงสตาร์ทรถติดเครื่องรอยายก็ขึ้นมานั่งที่บ่อท้ายรถตอนนั้นผมรู้สึกว่ารถผมมันยุบลงแบบแปลกๆทั้งทั้งที่ยายตัวเล็กและค่อนข้างผอมแต่ผมก็ไม่คิดอะไรแล้วขี่รถออกจากร้านอากูพเพราะขี่มาได้สักพักจากฝนที่ตกปล่อยๆตอนนี้ฝนเริ่มตกมากขึ้นผมแปลกใจว่า ทำไมทุกทีที่ผมขี่รถไปกับคุณแม่รถมันวิ่งเร็วกว่านี้แต่ทําไมตอนนี้รถผมมันวิ่งช้ามากด้วยที่ฝนตกผมจึงรีบบิดรถให้เร็วยิ่งขึ้นตอนนั้นผมได้ยินเพียงแค่เสียงลมที่ปท่าเข้าใบหน้ามันกรบเสียงรอบข้างจนแทบไม่ได้ยินแต่แล้วก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังแว่วมาจากด้านหลัง ผมพยายามตั้งใจฟังว่าเสียงนั้นมันเป็นเสียงของอะไรพอฟังดีๆก็ได้รู้ว่ามันเป็นเสียงของยายที่นั่งซ้อนผมอยู่แกพูดว่าเออเสียงนั้นเป็นเสียงที่สัน่นชาและเย็นเยอืเยอยมันทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัวแล้วแกก็พูดต่อว่ายายหนาว นนาเหลกิผมรีบตอบแก่ไปว่าเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับยายแต่ตอนนั้นฝนก็เริ่มตกแรงขึ้นยายนะ่ะมีลูกสามคนแต่ละคนก็หนียายไปอยู่กรุงเทพกันหมดเลยอยู่กับตาสองคนยายเองก็ไม่ค่อยสบายหายใจไม่ค่อยออกตาก็มองไม่ค่อยเห็นเนี่ยรู้ไหม ตอนนี้ยายเหลือปอดข้างเดียวโอ้ยหนาวเหลือเกินครับยายผมตอบแกไปแบบสันส่นๆจากนั้นผมก็ขี่ไปถึงปากทางเข้าสุสานแล้วยายก็บอกผมว่าให้เลี้ยวเข้าข้างซอยสุสานเพราะผมเลี้ยวเข้าไปก็เห็นว่ามันสิ้นสุดถนนยางมาต่อยจากนั้นก็เป็นทางดิน ยายก็บอกให้ผมเลี้ยวซ้ายอีกแล้วก็เลี้ยวขวาผมเข้ามาลึกพอสมควรขณะที่กำลังคิดว่าทำไมแถวนี้ผมถึงไม่คุ้นเลยทั้งที่ผมก็เป็นคนในพื้นที่พอเลี้ยวขวามาได้ไม่ทันไรก็เจอกำแพงกำแพงนั้นยาวมากแล้วก็มีช่องทางเหล็กๆที่พอจะให้รถมอเตอร์ไซค์เข้าออกได้พอมาถึงตรงจุดนี้ ยายก็บอกให้เข้าไปตามทางต่อบรรยากาศในตอนนี้ทั้งมืดครึมทั้งหนาวจากที่ฝนตกผมรู้สึกกลัวอยู่นิดๆเพราะมันเป็นทางที่ค่อนข้างเปรี่ยวแต่พอผมขี่เข้ามาอีกสักระยะหนึ่งก็เจอหมู่บ้านเล็กๆซึ่งมีเพียงไม่กี่หลังผมขี่รถผ่านบ้านไม้หลังหนึ่งมันเป็นบ้านไม้เก่าๆมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอุ้มลูก และยืนมองผมแบบตาไม่กระพริบหันไปหลังที่สองและหลังที่สามก็เงียบมาเหมือนกับไม่มีคนอยู่ผมคีเข้ามาจนถึงต้นมะม่วงแต่มองไม่เห็นบ้านคนแล้วยายก็บอกกับผมว่าไอ้หนูส่งยายตรงนี้ลูกผมจึงจอดรถให้ยายลงพอยายลงไปแล้วผมก็หันหัวรถเตรียมที่จะกลับ แล้วผมก็ต้องตกใจสะดุ n g เมือ่อยายเอามือข้างหนึ่งมาจับมือของผมไว้แล้วแบอะออกจากนั้นก็เอามืออีกข้างที่กำบางสิ่งอยู่มาวางบนมือของผมเมือ่อยายแบะมือออกผมก็เห็นว่ามันเป็นเงินสี่สิบบาทแบงค์ยี่สบเก่าๆสองใบผมรีบเงยหน้าขึ้นมามองยายแล้วบอกว่าไม่เป็นไรครับยายผมไม่เอาครับ แต่ยายก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเอาไปเถอะผมจึงรับเงินนั้นมาและขอบคุณยายจากนั้นก็ขี่รถกลับไปทางเดิมผมขี่รถออกมาจากจุดที่ส่งยายนั้นไม่ถึงนาทีก็หันหลังกลับไปมองปรากฏว่ายายหายไปแล้วผมสะดุ้งตกใจมากเพราะยายไม่น่าจะเดินไปไหนได้เร็วขนาดนั้น และแถวนั้นก็ไม่มีบ้านคนด้วยกระดูกสันหลังของผมเย็นว่าไปหมดขนแขนลุกตัง้งผมรีบบิดรถเร่งเครื่องให้เร็วเพื่อที่จะออกจากที่นั่นให้เร็วที่สุดเพราะผมออกมาพ้นจากกำแพงตรงนั้นได้ผมตัดสินใจหันหลังกลับไปดูอีกครั้งก็ปรากฏว่ากำแพงที่ผมเข้าไปนั้นมันปิดสนิท และไม่มีช่องทางให้รถหรือคนผ่านเข้าไปได้เลยตอนนั้นผมตกใจแทบชอ็อกคิดว่าคงโดนดีเข้าให้แล้วผมเรียบบิดรถกลับไปหาแม่พอไปถึงแม่ก็บ่นผมใหญ่เลยที่มาช้าผมจึงตัดสินใจเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังหลังจากนั้นสองวันผ่านไป แม่ก็ได้รู้เรื่องราวจากคนแถวนั้นว่ายายคนที่ผมเจอนั้นเขาเสียชีวิตไปห้าปีแล้วแกมีปอดข้างเดียวและแกก็มีลูกด้วยลูกของแกเขาย้ายไปอยู่กรุงเทพกันหมดและบริเวณที่ผมไปส่งยายแกเขาบอกว่าไม่มีบ้านคนอยู่แถวนั้นที่นั่นมีแต่สุสานเท่านั้นแหละเข้าไปได้ยังไง แล้วผมก็นำเงินที่ยายคนนั้นได้ให้ไว้ไปทำบุญทั้งหมดและอุทิศส่วนกุศลให้กับยาย ส, สัมผัสสยอง